กองอาบัตเจในหัวข้อเหล่านั้นกองอาบัตเ7็เป็นฉนคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตสังฆาทิเศษสากองอาบัตทุลจัย 4. กองอาบัตปาจิตตีห้ากองอาบัตปาติเทสนิยะ 6. กองอาบัตทุกกฎ7 กองอาบัตทุพภาสิทธนี้คือกองอาบัตเจ็ดกอง